วันนี้ลมแรงนะลมแรงอากาศจะหนาวแล้วเนี่ยลักษณะนี้ลมก็พัดผ่านบรีเวนที่มันหนาวมันเย็นพอเอาความหนาวเย็นมากระทำให้เราหนาวเย็นลงไปด้วย มีความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเนื้อถาดไฟถาดไฟมันน้อยถาดไฟน้อยมันก็เย็นถาดไฟมากก็ร้อนร้อนมากร้อนน้อยเรียกว่าเย็น ร้อนน้อยลงไปดนวันหนาวความร้อนน้อยลงไปเรื่อยๆถึงจุดเยือกแข็งติดลบเลยข้างนอกเย็นข้างในตัวเราก็เย็นไปด้วยถ้าว่ามันเย็นถ้าคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็ได้ว่าเราเย็น กูเย็นกูหนาวฝัดใจมันไม่อยากหนาวมันก็เป็นทุกข์ถ้าว่าปฏิบัติก็รู้อ๋อถ้าไฟมันน้อยมันก็เลยหนาวมันเย็นมันหนาวร่างกายมันหนาวร่างกายมันเย็น ไม่ใช่เราเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูรู้คือจิตแต่ก็สมมุติว่าเป็นเรานะแต่ว่าเวลาพูดกันเนี่ยมันก็ต้องมีมีเราโดยสมมุติร่างกายเย็นร่างกายหนาวร่างกายร้อน เป็นผู้รู้จิตก็ไปเห็นเห็นว่าร่างกายมันร้อนมันเย็นมันหนาวร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่นนนเวลามันเจ็บก็รู้ว่าร่างกายเจ็บเวลามันมุนก็ร่างกายมุนมันก็เป็นเรื่องของเวทนาไป พระภูมในงแง่ของธาตุมันก็เป็นรูปรูปธาตุเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าพูดในงแง่ของเวทนาเออมันร้อนความร้อนสักแต่ว่าร้อนก็เป็นเวทนาไปเจ็บปวดยินชาก็เป็นเรื่องของเวทนาทางกายไปมันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของขันธ์หน้านะ พันหาก็คนเวียนในเรื่องของร่างกายหรือว่าจิตใจก็มีกายกับใจกายก็มีเวทนาทางกายบางทีจิตแยกไม่ออกนะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายในตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร เหมือนกับไม่สบายอยู่ข้างในแต่ถ้าพี่นาะดูที่นี่จิตมันก็จะคิดนะมันจะมองหาอีนี้มไม่สบายใจเพราะอะไรไม่สบายเพราะอะไรมันก็จะคิดไปเพราะเรื่องนั้นเรื่อเรื่องนี้เรื่องนี่นจิตท่นเนี่ยจิตมันเริ่มคิดี่ยมันเริ่มปรงแต่งละมันม่รู้สาเหตุว่าเออเกิดเวทนา ทุกขเวทนาที่รู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยมันแยกไม่ออกว่าเกิดจากกายหรือว่าเกิดจากจิตคือมันมองไปที่เวทนารู้สึกแต่ว่าเราไม่สบายไม่สบายมันก็ความหาในจิตนะไอ้ตัวจิตเนี่ยนี่เป็นเพราะว่าเรื่องอะไรนะมันก็นึกเทียนนึกนเนี่ยสัญญาสัญญามันก็เริ่ม ทำงานแล้วนึกไปเพราะคนนั้นหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าวาสติไม่ดีเนี่ยปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนะถ้ามีเรื่องอะไรค้างคาอยู่ในใจนะกปรุงเรื่องนั้นแหละมันคิดว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องที่มันยังล้างไม่ออกวนไปเวียนมาซ้ำไปซ้ำมาบางทีไปรู้ทัน ไปรู้ทันก็ดับไปชั่วคราวนะมันก็ดับไปเฉยๆเดี๋ยวก็ปรุงขึ้นมาอีกนะเรื่องเก่าว่าขึ้นมาอีกคนไปเวียนมาอีกแต่ถ้าบางทีแยกได้ไอ้นี่มันมันมันมันมุเนี่ยมันร่างกายนี่ยถ้าไม่มีเรื่องในจิตใจนะบางทีมันรู้มองหาแต่มันไม่มี อีมันก็ไม่มีนะเรื่องเล่าอะไรก็ไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าทาดีที่สุดแล้วทําถูกต้องแล้วการกระทําทางกายทางวาจาสํารวมระวังหมดเลยอ๋เรื่องร่างกายอ๋อกายเนี่ยมันเรื่องร่างกายเนี่ยพอมันรู้จักว่าเป็นเรื่องร่างกายปั๊บ มันแทนที่มันจะดูจิตมันก็ไปดูกายแทนนะมันไปดูอ้าคนมันปวดหัวนี่นะมันมึนหัวเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยสบายอพอมันแยกได้เท่านั้นแหละมันก็วางเสียมันมันมันแยกออกถ้ามีสติมันแยกออกนะพอแยกออกแล้วก็สบายมันรู้ละรู้แล้วว่าเอออันเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นนี่นะแล้ก็รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แรื่องของเรามันเป็นเรื่องรูปปัจขันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวทนาทางกายทีนี้ไอ้ I, เวทนาทางกายมันก็มีหยาบแล้วก็มีละเอียดนะบางทีแยกได้เวลามันห ย, ยาบหยาบะแต่พอมันละเอียดที่แยกไม่ออกอีกแยกไม่ออกก็หลง หลงมาเราไม่สบา ย, ยนะเป็นเราตัวเราไม่สบายนี่มันมีเรานะถ้าแยกออกบับเนี่ยมันก็ดับไปรู้ว่าเป็นเรื่องร่างกายแล้วมันก็คลายออกจิตก็เป็นกลางๆางอีกแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีเรื่องจริงๆทีนี้มันบางเรื่องเนี่ยมันยังล้างไม่ออกมันค้างอยู่ในใจบางที ปกติมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันทำนู่นทำนี่ไปมีสติตามดูไปแต่บางจังหวะเนี่ยมันผุดขึ้นมาทีแรกนึกขึ้นมาก่อนนิดเดียวเสร็จแล้วก็วนเวียนไปเวียนมาก็ไม่หนักนะทีแรกก็คิดธรรมดาเนี่ยวนไปเวียนมามีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เอาคราวนี้มีกคำเหมือนกับมันมีอะไรหนักๆอยู่ในจิตที่นี่มองลงไปก็เห็นแต่เรื่องเรื่องเดิมๆนี่แหละเรื่องเก่านี่แหะนี่คือเหมือนค้างอยู่ในจิตเรามันเข้ามาอยู่ในจิตการที่มันเข้ามาอยู่ในจิตเนี่ยท่านเรียกว่ามีอุปท า, านถ้ามีอุปท า, านในเรื่องเรื่องใดก็หมายว่าจิตเนี่ยไปเกาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้ มีอุปท า, านแล้อุปท า, านเนี่ยมันก็จะมีไปเกาะเอาเรื่องไปยึดเรื่องเรื่องนั้นก็เข้ามาอยู่ในจิตเขาเรียกว่าพบเนี่ยมันมีก็มีการเกิดเกิดขึ้นในจิตเรามันเป็นพบเป็นพบเป็นภูมิพบภูมิของจิตที่อยู่ของจิตหมายว่ามันไปเกิดใหม่ละจิตเราเนี่ย วนเวียนในเรื่องไหนอหมายว่ามันไปเกิดในเรื่องนั้นเกิดย่อยๆเกิดย่อยๆเป็นภพแล้วก็เป็นชาติคือหนุกชาติมันก็มีน้ําหนักมากกว่าภพอุปทานก็คือจิตไปเกาะปั๊บเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ในจิตเป็นภพจิตปรุงแต่งวนเวียนเรียวาชาติเป็นการเกิดถ้ามีการเกิดก็ต้องมีทุกข์ เนื้อที่มาของทุกข์ถ้าต้องเริ่มด้วยชาติถ้ามีชาติก็ต้องมีชะลามรณ ะ, ะโสกปริเทวาทุกขาโทมนสวุปายสัมคำว่าชะลานี่หมายว่ามันมันเกิดดับชะลามรณ ะ, ะเนี่ยมันมันเป็นทุกข์อยู่ในจิตเราแต่เราไม่เห็นว่ามันเกิดดับ เราไปยุดมันว่าเป็นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ห น, น, น, น้าจะอย่างนั้นหน้าอย่างนี้เนี่ยปรุงแต่งไปมากมายมีชาติแล้วก็มีทุกเนี่ยพูดง่ายๆสรุปเลยว่าเป็นทุกเพราะนั้นเวลาเวลาจะรับทุกเนี่ยท่านยังตามไม่ให้ตามดูจิตให้เห็นให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ในจิตมีอะไรเกิดขึ้นในจิตมันปรุงแต่งเรื่องเราวนไปเวียนมามีไหม นี่มันเป็นชาตินะถ้าชาติดับทุกก็ดับชาติชลาหมดแล้วเนะี่ยทำไมจึงมีชาติก็เพรมีภพมันมีเรื่องอยู่ในจิตมันก็เลยปรุงแต่งวนเวียนเป็นชาติมีชาติแล้วก็มีทุกมันมีชาติก็เพรามีภพนะพอมีเรื่องในจิตเอ า, าเรื่องเข้ามาอยู่ในจิตก็เพราะจิตเรามีอุปาทาน ไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตไปเกาะเหมือนไปดึงเอาเรื่องเข้ามาอยู่ในจิตมีพบก็เพราะว่ามีอุปาทานไล่ไปแล้วนะที่นีอสาวขึ้นไปแล้วไม่มีอุปาทานล่ะมันมีตัณหาก่อนมันยากก่อนกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิว่วตัณหาคือขึ้นในจิต น, นี่อยู่ในจิตทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ไอ้ไอ้ที่มันจะทําให้เป็นทุกข์อะพอมีตัณหาปั๊บเนี่ยถ้าเราทันตรงนี้นะทุกข์ยังไม่เกิดนะถ้าเราเห็นมันนะโอ้เป็นตัณหาความอยากเออมันอยากรู้ว่ามันอยากเกิดแล้วก็ดับยังไม่มีอุปาทานยังมีเรื่องเข้ายังไม่มีเรื่องเข้ามาปรุงแต่งอยู่ในจิตยังไม่มีเรื่องในจิตยังไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเกิดเพราะเราทันซะก่อน เนือสติมันยิ่งสำคัญนะสติสำคัญแล้วก็ท่านกลไกลการทำงานของจิตนั่นแหละถ้าว่าเรามววแต่ไปดูข้างนอกนันมันออกไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันวิ่งออกไปแล้วมันแซงหน้าไปแล้วเพื่อเจ้าไม่ให้ดูข้างนอก ให้เข้ามาดูในวาระจิตของตนในกระแสจิตของตนการทํางานภายในจิตของตนผหมันละเอียดเนอะไม่งั้นไม่ทันมันนะเนี่นยา ก, การมตัตหามันก็คืออยากได้รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสบางคนก็มีความต้องการประเภทนี้เยอะเพราะนั่นก็ปรุงแต่งเนี่ยเวลามันมีอุปทาน มันมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานในเรื่องนี้บางคนลืมรดกินเสียงสะพัดไม่ต้องการแต่ต้องการความมีชื่อเสียงต้องการความสงบอะไรก็ว่าไปต้องการยอมรับต้องการคำยกย่องสันเซินต้องการความมีหน้ามีตาอยากเด่นอยากใหญ่อยากโอ้ อ, อวดมันก็อยู่ในนั้นแหละ เขาเรียกวภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาที่นี่มันไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เป็นมันอยากให้เป็นอย่างอื่นแต่พอดีมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยไม่อยากให้เป็นอย่างอย่างอย่างที่มันเป็นนั้นเกิดเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาขัดแย้งขึ้นในจิตใจถ้าทันตรงนี้มันก็ดับไป ทั้งนี้เกิดดับทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไม่ทันนะถ้าไม่ทันมันเป็นตัณหาแล้วก็จะเป็นอุปมิอุปาทานแล้วเกิดพบเกิดชาติที่ถามว่าตัณหาก็มีเหตุนะมันมาจากไหนตัณหาทําไมมันจึงมีความอยากความต้องการขึ้นมาอยากได้รูรสกลิกก่นเสียงสัมผัสอยากได้ชื่อเสียงหรืออยากได้ความสงบ คือมันยึดมันติดถ้าว่ามันสงบรู้ว่าสงบมันก็ไม่เป็นไรนะอยากนู่นอยางนี้รู้นู่นอยากมันก็ไม่เป็นอะไรพอมีสติรู้ทันอยู่เห็นมันเกิดเห็นมันดับปัญหาไม่มียังไม่เกิดปัญหาแต่ถ้ามันไม่ทันปั๊บมันจะมีอุปาทานนี่มันมันมันยึดแล้วอุปาทานปั๊บก็มีพบมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตมีเรื่องอยู่ในจิต ปูนแต่งไปก็เป็นชาติแล้วก็เป็นทุกทันทีเลยต่อไปก็มีแต่ทุกตัณหาก็มีที่มาอีกเนะี่ยพุทธเจ้าบอกที่มาของตัณหาเนี่ยเหตุของตัณหาเนี่ยทำํำไปยังมีตัณหาเพราะมีเวทนาเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยมันก็อยากเอาแล้วนะที่นีอ้อยากเอาอยากได้ มันชอบใจเพราะเวทนามันเป็นที่สบายมันชอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ผลักต้านไม่เอานี่เป็นวิภาตนาแล้วทำมันวนเวียนอยู่อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกวอุเบคาเวทนาจะว่าจะว่าเป็นภาวนาก็ไม่ใช่จะว่าเป็นอะไรก็ไม่ใช่มัวๆอยู่เนี่ย ไอ้ใจชนินดนี้เดียกว่าอ so, ุเบกขาเวทนาท่านให้ดูดูว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมันมันมัวมัวซัวซัวให้มันรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอุเบกขาให้รู้เป็นอุเบกขาสุขเวทนาไว้ให้รู้ทุกขเวทนาให้มัรู้ไม่ใช่ไปตีโพยตีพายนะไม่ใช่โอ้ฉันทุกใจก็ห่อเหี่ยวไม่ใช่ ตั้งสติดูเลยเอาให้มันเด็ดขาดลงไปสัตว์ว่เวทนาสัตว์แปลว่าเวทน า, า, เ, นาเอาอย่างนี้เลยเนี่ยเวทนาเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกดูไปแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นก็าตามเนี่ยเราต้องเป็นผู้ดูให้ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นหลงคุกเขากับมันนะไปร่วมแสดงกับมันเป็นเราไปหมดนะ เราถูกบีบเนี่ยแทนที่จะตั้งสติดูนยมันบีบตรงไหนอะบีบกายหรือบีบจิตจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันจะบีบได้ยังไงเราไปหลงไอาอาการที่มันที่มันมีเวทนาทางกายขึ้นมาบี บ, บ, บว่าเป็นเร า, าเึ้นมาแต่พระยอบอกว่าสักแต่ว่ากายสักตว่ารูปประขันไอ้นี้เราถูกบีบเรอทุกบีบ เป็นเราถูกบีบเลยนะทีนี้เสร็จแล้วจิตใจก็ปูงแต่งไปอีกอสงสัยเนี่ยแยแ่แน่เลยอเอาแล้วทีนี้แทนนึกถึงพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ช่วยเลยเหรอเทวดาอุาอตส่าห์ทิศบุญให้ทุกวันไม่มาช่วยเลยเหรอนเนี่ยมันไปหาที่พึ่งมันหาที่พึ่งข้างนอกแล้วเนี่ยแทนที่จะตั้งสติดูเข้าไป สักแต่ว่าสักแต่ว่าเอาคําสอนอุเบกขามาใช่เพื่อประโยชน์ก็ไม่เอาเสียเอาแล้วมันก็ทุกเกิดสิเพรไม่เข้าใจธรรมะของมูตเจ้าถ้าว่าเชื่อในธรรมะของมูตเจ้าปฏิบัติให้มันตรงเข้าไปเวทนาเหรอเหรอมันบีบรุ่งบีบเอาสังขารมาแบบไหนกน็สักว่าสังขารมันจะปรุงจะแต่งเกิดอะไรขึ้นก็นให้ดูตรงนั้นเนี่ยไอ้ที่มันปรุงแต่งมันเป็นชาติแล้ว มัพิชาติไปตั้งนานแล้วมันก็เลยเป็นทุกข์นี่นแหละไม่ทานมันที่เรื่องนู้นตั้งแต่ไปเกิดเวิทยาวิทยาก็มีที่มาด้วยนะท่าน ม, นมาจากไหนมาจากภาษาภาษาหมายถึงว่ามีกายเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มากระทบทางกายแล้วก็มีวิญญาณกายวิญญาณเกิดขึ้นมันไปนรับรู้ นี่เราตามไม่ทันหมดเลยเนะี่ยเป็นเราหมดเลยนะถ้าตามตามดูจริงจริงมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดขึ้นมีเวทนาทางกายขึ้นมามีการมีกระทบกระทบปับ๊บมี ม, ม, มีมีเวทนาชนิ้หนึ่งเอาเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราไม่ทันเราไม่ทันทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็นเกิดวิภวะตัณหาไม่อยากให้มันเกิดนเนี่ยเนี่ยเวทนาทำให้เกิดตัณหา ตัณหามันก็เกิดอุปาทานตุว่าเราเราเราถูกบีบแล้วเรื่องนี้มันก็ฝังเข้าไปในจิตเนี่ยเป็นภพแล้วก็ปรุงแต่งวนไปเวียนมาเป็นชาตินะแล้วก็เป็นทุกขนะ์จริงๆมันมีเหตุมีปัจจัยนะมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆนะมันก็เรามีร่างกายอยู่เนี่ยร่างกายเบื่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อย่างที่ว่าเนี้บางทีลมพัดแรงๆมามันเอาความเย็นความหนาวความร้อนมามันก็มีผลตล่อร่างกายนะแต่เพราะเออ น, นียมันหยาบเรารู้เราชินชากับมันมันเป็นบ่อยๆเราก็ไม่รู้สึกว่ามันลึกลับว่ามันดีรับอะไรก็ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลมันหนาวก็หาผ้าห น, น, นามาพรมมาใส่ อยู่ในที่ที่ลมไม่แรงอยู่ในที่ที่มันมีฝากันทาให้มันความหนาวลดลงไปเราก็แก้ไปเพราะมันมันรู้จักรู้จักเรื่องนี้แต่ทีนี้ไอตัวที่มันเราเราถึงมันจะเคยเป็นมาแต่ว่าเราเคยฝังใจว่ามันเป็นเรื่องลึกแล้วนี่ก็เกิดความกลัวความหวั่นไหวทาหากว่ารู้จักว่าเอา้าเราเป็นบ่อยๆไออย่างเนี้ยนี่วิบากกรรมของเรามันพาเป็นนั้นเนี่ย ถึงไม่มีรัมีอะไรมาบีบมันก็เป็นเพราะร่างกายของเราสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเข้าใจตรงนี้นะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมันก็ไม่สนใจว่าเป็นเพราะอะไรมันก็บีบก็รู้ว่าบีบตึงก็รู้ว่าตึงเครียดก็รู้ว่าเครียดจิตของเราเนี่ยมีสติรักษาเอาไว้ ให้มีสติรักษาใจให้เป็นอุเบกขาให้เป็น ก, นกลางๆอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปหลงยินดียินไ ย, ย, นยปัญหามันก็ไม่เกิดมันต้องตามดูมันจิตของเราไปหลงอะไรมันยึดอะไรมันสงสัยอะไรมันไม่เข้าใจเรื่องอะไรถ้าว่ารู้เร็วมันจะดับเร็วนะแต่ถ้ารู้ช้าๆหน่อยเนี่ยโอ้ดับช้านะ บางทีกว่าจะดับเนี่โอ้โหมันปรุงแต่งไปตั้งนานแล้วบางทีปรุงแต่งไปเวทนาทางกายเกิดขึ้นหน่ยเนาะร้อนวูบว่าวูบว้าบที่แรกนิดเดียวแต่ว่าปรุงไปมา ก, มากๆร้อนเข้าวูบว่าวูบว้าทีนงต้องดิบเอาหลักของพระเจ้าเข้าไปใช้ไม่ยินดีไม่ยินลายไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆเนี่ยธรรมะมันจะเกิดขึ้นที่นี่ที่จริงมันมันจะเอาธรรมะให้เรานะแต่เราเอาไม่เป็นเราทําความเข้าใจไม่ได้สติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนเวลานั่งสมาธิก็เคิร์มบางทีไม่ยีก็เป็นนะเคร์ก็ต้องให้รู้ ว่ามันเป็นอะไรเป็นพ่ออะไรร่างกายหรือว่าเป็นพ่ออะไรบางทีก็มีสภาพร่างกายเนีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมันก็เคอะเขมได้หลับได้อันนี้เคยคือเนื่องจะว่าให้นั่งนั่งฟังครูบาอาจารย์เทศ เราก็ว่ามันก็ตื่นดีทุกอย่างเลยนะแต่ทําไมมันไปเราบึกหายไปวึกหายไปเนยะแต่เรานี่มันมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะก็หาก็เอาลองเอามีดนะมีดคมๆนี่แหละพอเราจบมันมีมีดพบอยู่ละไม่ไกลเห็นหรอกค่อยๆเอามาแล้วก็เอามาลองขาไว้อนะเอาทับทับ กะว่ามันงึบลงไปแล้วให้มันเจ็บแรงๆหน่อยผมระวังหน้าดูเลยนะที่ทํานี่คือให้จิตมันระหว่างมันตึงเราต้องการเพิ่มกําลังของสติมันเข้าไปเห็นที่นี่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยวันนั้นมันอาจจะไปสูดอากาศที่มันมีฝุ่นมีละอองทําให้ร่างกายเราผิดปกติไปการดันสูดฉีดโลหิตอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่เพียงพอหรือยังไงเนี่ย มันลดลงไปก็เห็นพอเห็นแล้วก็พอเราเพิ่มกําลังให้มันบริหารร่างกายบ้างนี่ดันนู่นดันนี่มันมีกําลังขึ้นมามันก็หายไปนี่คือแก้ที่ร่างกายไอ้การที่มันมีอะไรแหลมแหลมมันก็ทําให้จิตเราเนี่ยมันตื่นด้วยมันระวังเนี่ยแก้ระวังที่จิตด้วยแก่ที่กายแก่ที่จิตแต่ว่ามีสองอย่างเวลาแก้ ก็คิดหาเองนะเพราะว่ามันไม่อยากมันไม่อยากเสียเวลาหรอกเราก็ตั้งใจว่าเอาทําอะไรมันมีสติอยู่นี่นะทําเพื่อแก้ไขตัวเองเพื่อให้สติเราดีมันผิดตรงไหนถึงจะทําขึ้นมามันก็ไม่ผิดเพราะเราทําเพื่อสติเราดีทําให้มันตื่นตัวแล้วไปรู้สาเหตุว่าทําไมมันจริงวุ่นมันทึซึมบางวันมันไม่เป็น บางวันมันเป็นวันที่มันเป็นก็เลยศึกษาให้มันเข้าใจพอเข้าใจแล้วอ่อทีหลังก็ก่อนจะนั่งสมาธิอะไรก็บริหารร่างกายซะก่อนที่เลือดลมมันเดินได้สะดวกสูบฉีดโลหิต ด, ดีดูเดินจงกลมมากๆออกกำลังกายพอดีพอดีให้ร่างกายมันตื่นตัวสดชื่น ดัดเส้นดัดเอ็นตรงนั้นตรงนี้มันคลายออกบางทีดัดดัดโล่งโป่งเลยนะแค่ดันดันไปนี่แหละเส้นมันมันได้รับการบริหารมันยืดไม่รุนแรงเกินเกินไปกระดูกนี่นั่นก็แก็บก็แก็บตรงนั้นตรงนี้นีนนน่บางทีหมอนวดอ่ะเขานวด น, นวดนไปก็แก็บเขาบอกเออแก้แล้วแก้แล้วเพราะว่าคือลมมันมันเดินได้เหมือนมีอะไรไปติดไปขัด โอย้ยิ่งๆเรามาบริหารเนี่ยมันยิ่งก็แคบก็แคบมากเลยนะมากกว่าที่เขานวดอีกเราจรึงว่าอ๋อบริหารร่างกายเนี่ยมันก็แกง่วงได้ด้วยแตบริหารมันทั่วเขาตั้งแต่ศีรษะลงไปจน น, ปนู่นะถึงปลายเท้านูอาอแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยส่วนไหนที่มันยังได้ไม่บริหารค่อยๆบริหารไป มันก็มีผลต่อการปฏิบัติด้วยเนี่ยร่างกายมันก็มีส่วนเนี่ยมันต้องรอบด้านนะบริหารตัวเองเนี่ยบริหารตัวเองจัดการกับตัวเองจัดการทั้งร่างกายจัดการทั้งให้มีสติรู้ทันการทำงานของจิตเราเนี่ยพระเจ้าก็เวลาพระเจ้าจะสอนว่าเออทุกันมาอย่างไหนท่านก็เริ่มด้วยชาติมีการเกิดเมื่อไหรต้องมีทุกเมื่อนั้น ท่านพูดตั้งแต่ทุกย่อยๆก่อนในจิตคือทุกย่อยๆทุกใหญ่ๆเนี่ยหมายว่าการเกิดใหญ่ๆเนี่ย ม, มันที่ว่าคำพบสรางคำชาติเนี่ยมันก็ไปจากไอชาติใหญ่ใหญในจิตนี่แหละแต่ลองปรุงแต่งเรื่องอะไรบ่อยๆสินั่นมันไปตรงนั้นเนี่ยน่นมันหาพบแล้วมันไปติดอะไรมันไปยึดอะไรไปติดไปคล้องอะไรนั่นมันไปตรงนั้นถ้าว่ามันแค่อยู่ในจิต ในเฉยวนไปเวียนมาในจิตเนี้ยยืบเยิย้ๆในจิตมันก็จะไปเกิดในภพภูมิที่มันมันมีแค่เรื่องของจิตอะเขามันยึดลูกอะไรมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปด้วยความหิวความกระหายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไปอยู่ในภพภูมิเหล่านั้นชาติแล้วก็ชาติก็มีเหตุนะเพราะว่ามีภพถึงมีชาติ พบก็มีเหตุเหตุแห่งพบก็คืออุปาทานที่มาขอุปาทานคือตัณหาที่มาของตัณหาคือเวทนาที่มาของเวทนาคือขัดสนหมายถึงการกระทบอารมณ์อย่างตากระทบรูปปับมันเข้าไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาวเวทนาเกิดขึ้น ถ้ามันทันในวงนี้มันก็เห็นมันเกิดดับไปเป็นสติสัมปชัญญะเป็นปัญญาถ้าไม่ทันมันจะปรุงแต่งไป็นทุกชาติแล้วก็เป็นทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดผัสสะเพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกสลายยตนะส่วนใหญ่เขาเอาแค่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันง่ายต่อการปฏิบัติ มันไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้นคืออ ว, วิชานั่นเองแต่ถ้าหาว่าเอาให้ใหญ่หมายว่าเอาให้จบกระบวนการเลยถ้าเต็มสมบูรณ์ในเรื่องของปฏิสมุบานเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าสลายตนะมีสลายญตนะก็เพราะว่ามีนามาลูกมีรูปมีนามีมกายมีใจ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีนามมีรูปถ้ามีนามรูปก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีการกระทบอารมณ์มีปัสสาะมีปัสสาะก็มีเวทนาเดี๋ยวมันไล่ไปอย่างนี้นะแต่จริงๆเราไม่ทันเลเนี่ยอันนี้อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยที่อธิบายได้แบบเนี้ยหมายว่าศึกษาจากไฟใต้ปิดกจากตำลาจากคําสอนของพระพุทธเจ้า เวลาปฏิบัติก็คือดูจิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้รู้รายละเอียดเข้าไปรายละเอียดเข้าไปจนไปทันอะไรเกิดขึ้นปั๊บทันเลยทันก็ไม่รู้ละว่ามันมีเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยรู้ว่าทันแล้วไม่มีทุกข์แต่ทีนี้ถ้าหาว่าเราศึกษาเนี่ยมันทําให้เราได้พิจารณากว้างขวางขึ้นวาเออ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขบวนการไอจิตของเราเนี่ยกระแสของจิตเรามันเร็วนะขั้นตอนของมันเนี่ยมันมีมีรายละเอียดเราเห็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะมีชาติเนี่ยไล่ไปได้นะทีนี้ชาติมีเพราะมีพบพบมีเพราะมีอุปทานอุปทานมีเพราะมีตัณหาตัณหามีเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะมีปัจจัปปัจจัมีก็เพราะว่ามีสลายตระหนักตาหูจมุกนิ้กายใจ ตาเรืงมูกลิงกายใจมีก็พอ่อมีรูปนามมีรูปนามก็พ่อมีวิญญาณเนี่ยไอตัววิญญาณคือตัวจิตเราผวังค์คจิตของเราที่มันมันสะสมเอากรรมเอาไว้แล้วมันไปเกิดอ่ะเกิดแล้วมันก็ใครสร้างกรรมดีมามันก็ทําให้ได้ร่างกายดีคุณภาพจิตดีเนี่ยเนะมันสาวไปแล้วนะที่ น, น, น, นี่มีวิญญาณก็คือมันมีสังขาร สังขารเหมือนว่ามันทําอะไรทําดีมันก็เก็บว่ากูทําดีเป็นตัวตนเป็นตัวเรานียมันก็เลยไปเก็บเอาไว้เราทําไม่ดีก็เป็นเราทําไม่ดีเราสงบก็เราสงบมันเป็นตัวตนอยู่ตลอดเนี่ยมันเก็บไว้ในจิตแต่ถ้ารู้ทันปั๊บแค่เนี้ยมันมีตัวเรานะตรงนี้มันมีแต่ขอความเกิดดับเห็นว่ามันเกิดดับเท่านั้นเองแต่ที่เราไม่เห็นอย่างนั้นมันก็เลยเก็บสะสมไว้ในจิตเพราะอะไรเพราะมันมีอวิชชา วิชามือทั้งทั้งไม่รู้วิยสัต ส, สีไม่รู้ปฏิสมุบาทไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่ามันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเก็บไว้ในผวังขจิตเป็นวิญญาณวิญญาณก็หานามลูกมารองรับนก็ได้เรามานี่นามลูกมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีผัสสะ ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่มันต้องมีปัสสาวะมูมีมปะสะัสสาวะถ้าเราไม่ทันสติเราไม่ทันปับ๊บก็ต้องมีเวทนามันต้องมีเวทนาไม่ทันตัณหาเกิดไม่ทันอีกก็ต้องมีอุปาทานนี่แหละทุกขเริ่มทุกตั้งแต่อุปาทานหลงยึดมัน่นถือมัน่นมันตัดตอนไม่ได้โซ่ห่วงของวัตตาสงสารมันไม่ขาดคืออย่างนี้นะ มีวัตตาสงสารคือตรงนี้นะตรงที่จิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งแล้วเราไม่ทานมันตัดมันไม่ขาดถ้าทุกเกิดขึ้นปั๊บนี่เราสาวไปได้เป็นชาติถ้ารู้ทันตอนชาติปั๊บนี่มันเกิดชาติแล้วเนี่ยมันก็ดับเพราะฉะนั้นเวลาจิตปรุงแต่งเราลุ้ทานมันความทุกข์มันก็น้อยลงมันดับเร็วนี่คือเป็นชาติเหมือนกันแต่ชาติมันมันสั้นหน่อยมันน้อยหน่อย นี่เนียแะการเกิดมันน้อยมันลดลงไปเพราะเราไปทันมันเพราะการเจริญสติของเราเพราะการสัรวมระวังเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทําให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีทางนี่อาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ถึงจงยอมรับจริงๆนะว่าท่านมีคุณจริงๆมีคุณก็เพราะว่าถึงพระองค์ปรินิพานไปแล้วแต่ว่าเราได้ปฏิบัติ รู้วิธีที่จะดับทุกรูว่าทุกมันเริ่มดับลงไปน้อยลงไปลดลงไปภพชาติมันสั้นลงไปเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นภายในจิตของเราถ้าใครปฏิบัติมันก็จับต้องได้สิที่มันเห็นนี่พอมันเกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็ยิ่งมีมีกำลังใจมันมีความลึกซึ้งทางจิตใจเหมือนมันมีความกว้างขวางขึ้นเหมือนมันมี เหมือนมันมันเหมือนกับมันโลกมันโปเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจจริงๆมันก็แค่อยู่ในจิตนี่เองมันไ่ด้มากมายถ้าหาว่าจะคิดในแง่ว่าทางที่จะดับทุกข์ทางที่พ้นทุกข์เนี่ยมันมีมันมีอยู่ในจิตเราเอาแค่ว่าเอาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วที่ว่าพู้เจ้าเดี๋ยวว่ากรรมเก่ามันมีแล้วเนี่ยเอาให้ทันดิที่นี่มันจะทันตอนไหนล่ะเกิดภาษาปั๊บทันไหม อย่ยสักแต่ว่าได้ยินสักแตว่าเห็นสักว่าได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสโภถภาธรรมอารมณ์เนี่ยถูกต้องธรรมอารมณ์เนี่ยทันมันม้ยถ้าทันเนี่ยมันหมดปัญหาตั้งแต่ทีแรกบางทีมันทันถ้าช่วงไหนเราทันมันจะเห็นว่าเราสบายสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตเฉยเฉยนีคือทันถ้าไม่ทันปับ๊บมีอะไรเกิดขึ้น ทางกายก็ดีกระทบทางไหนอะทางตาทางหูหรือทางจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือทางใจมันปรุงขึ้นมาหรือว่าหลายๆอันขึ้นมอว่าเราเราเร า, เราทันอันไหนถ้าเราทันปั๊บเนี่ยมันมีเวทนาขึ้นมาแล้วรู้รู้แค่ว่าโอ้มันไม่สบายนะเนี่ยกายไม่สบายนี่คือเห็นเวทนาทางกายนะ ถ้าจิตไม่สบายในเวทนาทางจิตนะเนี่ยนี่นี่คือเห็นเวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างจิตมันก็เฉยๆมันรู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรมากอ๋อเป็นเพราะกายเป็นเพราะจิตเนี่ยมีเวทนาแต่ถ้าหาว่าจิตเนี่ยไอ้กายเนี่ยมันมันทามันไม่รู้มันก็จิตมันก็ออกมาปุงแต่ง เป็นเหล่ากลัวเป็นหนุ่นกลัวเป็นหนี้กลัวเป็นกลัวตายกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวมันไม่หายกลัวอันนั้นอันนี้มาทําลําพึงลําพันไปทีนี่เนี่ยมันเป็นโสกับปริเทวะเนี่ยลำพึงลําพันทุกขะโทมนัสสาวุปายาสะทุกอยู่ในจิตใจก็คือสตินี้แหละสัมปะชญญะมันไม่ทัน ช่วงไหนกำลังเราอ่อนสติเราอ่อนเราเผลอเราปล่อยจิตปล่อยใจปูงแต่งเลื่อนลอยไปมันก็ดึงดูดไปเหมือนกันมันเร็วนะจิตเนี้ยบางทีเรื่องนิดเดียวพอมันเริ่มคิดปั๊บทีแรกนิดเดียวต่อมาน้ำหนักมันมากขึ้นมาขึ้นเนี่ยมันชาดมันมันมันมีมันรุนแรงไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกู่ตัวกูมันมีกำลังเอ่า ตอนชาติเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะการเกิดเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นพูดในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ไปพูดว่าพี่เกิดในท้องแม่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นควายนะเป็นผีเป็นเป็เปดอยู่ตามป่าตามเขาไปขอส่วนบุญตรงนั้นตรงนี้นี่มันอยู่ในจิตี่ต้องฉลาดในเวลาจิตของตัวเองเด น, นวะก็คือเข้ามาเห็นจิตนี้แหละปฏิบัติก็ปฏิบัติที่จิต เรื่องราวก็คือเรื่องราวภายในจิตหมดเลยวนไปเวียนมาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้สารพัดเรื่องเดี๋ยวลลูกคนมีลูกเอาลูกมาลุกคนนั้นคนนี้อันนั้นอันนี้เอาอาดีตมาเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเอาอนาคตมาเนี้ยก็คือปุงแต่งอยู่ในจิตนีถ้าทั้งจิตใจเนี่ยอารมณ์มันอาจจะต่างจาก อันอื่นเพราะว่ามันเป็นธรรมมาลงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มากระทบจิตเราแล้วก็มีมโนวิญญาณนะ่อันนี้พูดในรายละเอียดนะแต่เวลามันเกิดขึ้นจริงจงปั๊บมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วปรุงแต่งไปแล้วเป็นทุกข์ตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ก็ตอนมันเป็นทุกข์แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเพราะนั้นต้องรีบตั้งสติเร็ว มีสติมีสัมปชัญญะแล้วมันก็จะไม่หลอกลวงเราสิพอเห็นแล้วมันก็เกิดดับไปการที่ตามดูอย่างนี้เราเรียกว่าอริยมรรคที่แรกก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะก่อนพอดูละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสติสัมปชัาญญะมีกำลังแล้วทันจิตของตัวเองเนี่ยจิตก็ไม่ไปไหนก็เป็นสมาธิ สติสัมปญญามีกำลังมากขึ้นมันก็ตั้งมั่นจริตรี ล, ลอดไปไหนไม่ได้อะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันเกิดให้มันดับมันก็เป็นปัญญาญาณถ้ามันเห็นดับช้าๆก็เรียกสติสัมปชัญญะไปก่อนแต่ช่วงไหนที่มันเห็นดับเร็วๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมนับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เรียกปัญญาญาณเียา ว, วิปัสนาญาณตรงนี้นะ บางคนไปเอาตอนต้นๆนูน้นสติสัมปัญญาเบื้องตอน้นเห็นความคิดโอ้มันเกิดแล้วก็ดับเห็นมันมันมันคิดไปตั้งนานแล้วพอมารู้ทันปับ๊บเห็นมันดับไปโอ้ความคิดเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้มันดับช้าแล้วก็การเห็นความเกิดดับแบบนี้มันก็คิดตามไปด้วยมันไม่ได้เห็นความเกิดดับเฉพาะหน้านะ แต่ก็เป็นปัญญาเบื้องต้นในวัติสัมปชัญญะนีน่ปัญญาตอนต้นๆ้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องอยู่แต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องเพอเห็นหลายๆคนเนี่ยมันไปเอาตอนตน้ตนต้นเป็นมรรคเป็นผลนะพอเห็นมันเกิดดับพอเออมันเกิดแล้วก็ดับนะจิตมันก็เลยพอใจทีนี้จิตก็สงบลงไปสงบลงไปบอกนี่มรรคผลเกิดแล้วะ จริงมันยังไม่ทันเป็นสัมมาสมาธิมันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมันไม่ก่าวหน้าเพราะไปหลงแล้วคืออยากได้มรรคได้ผลมีอุปทานไปยึดว่ามันเป็นมรรคเป็นผลเพราะนั้นมันจึงไม่ลืมนะในเรื่องของการปฏิบัติเราสร้างเหตุอย่างเดียวผลมันแล้วแต่สภาวธรรมเอาจงความทุกขมันน้อยลงไปเรื่อย เห็นชัดๆในจิตตัวเองใครรับรองไม่รับรองมก็ไม่สงสัยเนาะรู้ว่าเออทุกข์น้อยลงไปจิตเราก็เข้มแข็งขึ้นมามีภูมิต้านทานกันมาความทุกข์มันน้อยลงไปเดีย๋ยววิชาปัจจญาส่าง่ารเานี่ยพอไม่รู้มันก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมา ุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มันมีตัวตนสังขาราปัจยาวิญญาณน์นักลายเป็นวิญญาณเก็บเอาไว้ในวิญญาณวิญญาณก็ต้องไปหานามรูปวิญญาณังปัจยานามะรูปังมีนามมีลูกก็ต้องมีตาหูจมูกดินกายใจเรียกอายตนะสลายตนะนามะรูปัง ปัจจญาสรายตนงมีตาหูจมูกนินข่าใจก็ต้องมีภาษามีภาษามีเวทนามีตนามีอุปาทานมีพบมีชาติชรามระโสกะบริเทวะทุกขโทมนาสานี่คือทุกสรุปเป็นทุกนี่เลยที่ท่านเรียกว่าป จ, จิตสมุปบาทหมายว่ามันอาศัยการเกิดขึ้นทาที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเป็นเราเลยนะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นทุกข์เนี่ยไม่ได้มีอะไรบอกนว่าเป็นเราเลยนะมันมีเหตุมันมีเหตุ ม, ม, หตมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับถ้าเราทันเนี่ยรู้ทันมันมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่รู้มันเนี่ยมันก็ลงจบลงด้วยขบวนการที่จะเป็นทุกข์พราะ น, นเห็นมันทุกข์ดับเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอนิยสัตว์สี่เห็นทุกข์เกิดขึ้น ทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเนี่ยทุกแล้วก็เหตุแห่งทุกทุกกระลุ่มเป็นทุกเหตุแห่งทุกตัณหานีมันเริ่มต้นในตัณหาเพราะตัณหาแล้มีอุปทานอุปทานมันจะมีพบมีชาติแล้วถึงมีทุกต้นตอมอยู่ตรงตัณหานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัณหาเนี่เวลามันอยากขึ้นมาต้องแยกให้ออกนะว่าเราอยากเนี่ยมันด้วยความจําเป็นหรือเปล่า อย่างร่างกายเราเนี่ยมันอยากอาหารเนี่ยมันหิวโหยขึ้นมามันก็มีความอยากเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นภาวะแห่งความจาเป็นเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกว่าตัณหานะเพราะมีความจาเป็นถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็เป็นตัณหาได้ที่แรกมีความจาเป็นแต่พอเอาเข้าไปแล้วมันชั่วมันอร่อยขึ้นมามันชอบขึ้นามอย่างเนี้ยมันก็อยากได้เยอะ จดจำเอาไว้วันหน้าจะเอาอีกไอตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เท่าทานจิตของตัวเองที่มันปรุงแต่งไปนี่มันเป็นตันหาได้ด้วยถ้าว่ารู้ทันเออตอนนี้ร่างกายมันต้องการนั่นเนี่ยหิวขึ้นมาแล้วมันขาดธาตุไม่มีอะไรเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วมันจําเป็นแล้วรู้อย่างเงี้ยนี่มันเป็นปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาให้มันเนี่ยเอาให้มันก็ตามดูความพอดีด้วยนะ และต้องรู้ดูว่าอันไหนมีประโยชน์สาหรับร่างกายไหนไม่มีประโยชน์เนี่ยต้องมีปัญญานะถ้ามีปัญญาก็คือเอาตามความอยากฉันอยากกินอะไรก็กินร่างกายเป็นยังไงช่างมันนี่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกทำไม่ได้ทำด้วยปัญญามีความหลงอยู่ในนั้นเนี่ยวัดกันได้นะเนี่ยมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยต้องเลือกว่าอาหารไหนมีประโยชน์ ก็ต้องเอาถึงมันไม่อยากก็ต้องเอาเอาให้มันอย่างน้อยก็ต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับมันอันนี้เป็นประโยชน์น้อยก็เอาน้อยเอาพอให้มันหาอยากอย่างบางทีมันก็มีนในร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับมันอยากอันนั้นอันนี้บ้างแต่เรารู้ทันมันอยู่ไอความอยากตรงนี้มันก็ไม่เป็นปัญหากับเรานะพอเรารู้ทันมันอยู่ทาด้วยความรู้ ตัณหาบางอย่างไอ้ความอยากบางอย่างมันไม่ใช่ตนหามันเป็นความจำเป็นมันเป็นความสมควรที่จะเอาหรือมันเป็นปฏิกิยาทางร่างกายกระตุ้นกระตุ้นเตือนตามธรรมชาติของร่างกายมาตองการแล้วขาทธาตุชนิดนี้เอาให้มันได้่อเอาด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกไม่เรียกวาตนา เป็นปัญญาไปถ้ามีปัญญาอย่างนี้มันไม่มีทุกนะทุกมันน้อยแต่ถ้าขาดปัญญาทุกมันจะมากพราอไม่ไม่ทําอะไรด้วยปัญญาเพรา ะ, ะความรู้บางอย่างเนี่ยมันก็จําเป็นความรู้พื้นฐานนะอย่างโภชนาการเนะี่ยอาหารห้ามูอะไรอย่างนี้ยมันก็ต้องเข้าใจด้วยอันนี้เขาค้นคว้าวิจัยหมดแล้วเราศึกษาเข้าใจแล้วเอามาใช้ให้ประโยชน์ นีปัญญาทางโลกมันก็มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าไปติดอยู่กับอะไรแต่ความรู้ทางโลกค้ น, กขนขว้าหาแต่ความรู้ทางโลกแต่ความรู้ทางจิตใจไม่มีมันก็บำรุงบำเลแต่ร่างกายของตัเองไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจเพราะไม่ฝึกจิตเพราะขาดปัญญาในทางธรรมะการตัณหา ที่ต้นตอของมันท่านถึงว่ามังทีตนาเหตุหองทุกข์ก็คือตหาเนี่ยทุกข์ทุกข์ก็คือไอ้ไอ้เนี่ยความจริงมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนัเวลาในในเวลาปฏิบัติเนี่ยมันถึงทุกข์ได้กำหนดรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นรู้รู้เนี่ยกายบ้างใจบ้างเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ย แต่นหนามันก็ดับจะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดับไปเม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็ดับไปเนี่ทันมันมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ี้มันดับไปก็เป็นนิโรธถ้มันดับไปน้อยก็เป็นนิโรธน้อยๆนิโรธชั่วคราวนิโรธชั่วขณะแต่มันสอดคล้องกับนิโรธที่แท้จริงคือภานิบานนิโรธา โรธาแปลว่าคุบหรือที่คุมขังขอบงําเราไว้นี่โรธะก็คือไม่มีคุบไม่มีที่คุมขังไม่ที่ครอบงําเราหมายถึงปฏิพานเนี่ยทางปฏิบัติก็คืออริยมรรคที่แปดนี่เราถือทางของพระุทธเจ้าหมดนียนะพูดในแง่ของขบวนการทํา ง, งานของจิตคือที่พรุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตรงนี้ เพราะนั้นถ้าหาว่าเราเข้าใจหลักตรงนี้นะแล้วทีนี้เราไ ป, ไปศึกษาได้เลยที่นี่ไม่ว่าตำราไหนจะเขียนออกมามันก็อยู่ในนี้แหละเพราะวงจรทุกภายในจิตมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราเรียนเราศึกษาเข้าใจภาพรวมมันเลยเอาหลักใหญ่เลยเข้าใจแล้วทีนี้มันจะเห็นว่าทุกมันมาอย่างไรเวลาทุกมันเกิดกับจิตเรามันเกิดตรงไหนตอนไหน ครานี้เราก็ปิบัติเองได้ทีนี้ถ้าว่าเราไปศึกษาที่ไอ้ย่อยย่อย่ยอยยอยมั น, ม, น, ม, นมันไม่เข้าใจคราวนี้เราศึกษาให้มันภาพรวมเลยจากนั้นศึกษาเยอยๆก็ได้ไแล้วแต่กไปละทีนี้ถ้าว่ า, วามาเ น, น้นหนักตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี่ยจะเรียกก็มองในแงของรู ป, ปขันก็ได้มองในแงว่าถ้าตุสีก็ได้ ธ ด, ดินธาตุ น, น้ำธาตุาลมธาตุไฟมันปวนแปลคือมันมีธาตุอะไรเกิดขึ้นมองในแง่ของเวทนาเวทนาขันเป็นเวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างพวกในวิญญาณนั่นเองบางทก็มีมันก็มีพวกนี้สัญญาอยู่ด้วยเวลาวิญญาณมันทํางานอะอย่างอย่างวังตาหูจมูจมกลิ้นกายใจตามกระทบอรมปับ๊บเกิดจักรวิญญาณมันก็จะมี สัญญาอยู่ในนั้นด้วยมีสังขารประกอบเข้าไปด้วยจําได้รู้รู้แจ้งอารมณ์ขึ้นมาเออนี้เป็นหญิงเป็นชายชื่อนั้นชื่อนี้อัพมาเร็วนี่นะนิ้วกันรวมอยู่ในเนี้ยขบวนการอันนี้ยพร้อมหมดเลยสังขารก็ปรุงแตง่งอยู่ในนี้ปรุงแต่งไปก็รู้รู้ก็ปรุงต่อไปอีก กู ต, ต่อไปรู้กูต่อไปอีกเนี่ยส่งต่อต่อไปอย่างเงี้ยอย่ขันหามก็ทํางานอยู่ในจิตทีนี้เราหลงยึดว่าขันหามเป็นเร า, าเอาแล้วนั้นที่นี่บางทีหลงความคิดว่าเป็นเราบางทีหลงร่างกายว่าเป็นเราหลงเวทนาว่าเป็นเราเดี๋ยวเราก็สอบสวนให้ได้สิว่าตอนนี้เราหลงอะไรอยู่เย่างว่ามันบีบ บ, บ, บ, บีบตรงไหนเอามันบีบร่างกาย ห ล, ลงลูกหรือเปล่าว่าเป็นเราหรือหลงการบีบเนื้อ่าเป็นเราเวทนาว่าเป็นเราหรือไอความคิดปรุงแต่งตามมาทีหลังว่าเป็นเรากลัวกังวลขึ้นมาจริงๆรงพวกนี้เกิดดับหมดเลยนะไม่มีตรงไหนที่เป็นเราได้เพราะมันปรุงแต่งต่อๆกันมาทั้งหมดแล้วมันมีเหตุสาวไวสาวไวไม่ได้มีจริงเลยนะมันมีนี่เพราะเราไม่รู้ทันมันมันเลยเป็นเราขึ้นมาใช่ไหมนี้เราอยู่ตรงนี้ ที่เป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราอันนั้นกับเราอันนี้กับเราอยู่ทั้งวี่ทั้งวันนะ่ะก็คือไม่ทันจิตตัวเองทุกก็เพราะว่ามันไม่ไ ม, ไม่รู้ทันจิตของตัวเองไม่ทันความลึกคิดปรุงแต่งของตัวเองจนมันเป็นชาติจนก่เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมาที่โพยที่พายทีหลังก็คือมีอุปทานนีไอซ้อนอยู่ในนั้นแหละปรุงแต่งไปเป็นเนี่ยละ่ะเป็นละลอกละลอกละลอกอยู่อย่างนี้ นี่เรียกว่าโซ่โซ่ของวัตตาสงสารตรงทีท่านเรียกว่าโซ่คือมันเป็นวงเป็นวงกลมหมุนวนอยู่ในจิตเดี๋ยท่านเรียกว่าวัตตาสงสารมันหมุนวนวนอยู่ในจิตวกวนอยู่ในจิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าเห็นมันปั๊บเอานี้มันเป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นตัณหา มันดับไปแล้วก็มันไม่กอ่อเกิดสุดนี้มันตัดแล้วนะเนี่ยนี่ละชาติมันมันมันน้อยลงตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราเห็นมันอย่างนี้นะการเกิดของเราสั้นลงทันทีเลยที่เราเรียนไหวตายเกิดไม่รู้เกี่ยสงไข่ะก็เพราะเราหลงตรงนี้ถ้าเราทันตรงนี้ปับ๊บคราวนี้พบชาติเราจะน้อยลงทันทีเลยนะรู้ทันทีเลยว่าการเวียนไหวตายเกิดของเราเนี่ยมันลดลงแล้วพอเราเริ่มรู้ทันมันแล้ว ยังพาไปเกิดที่นั่นที่นี่อันนั้นอันนี้นี่มันลดลงแล้วแล้วเราจะไปเสียเวลากับเรื่องอื่นเนี่ยมันมีแต่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดมันต้องมาสนใจตรงนี้ถ้าไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีทุกข์ถ้ายังมีเกิดมีชาติเมื่อไหร่ต้องมีทุกข์เมื่อ น, นั้นเพราะเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่ชาตินี้ ชาติมันดับก็พบดับเอาเรื่องนี้ที่ไล่ไปอย่างนี้ที่นี่พบดับก็เพราะมันมีประธานดับเนี่ยมันก็ดับไปเป็นทอดๆนะที่นี้ก็มันมาจากเหตุจากปัจจัยประธานดับพบเพราะว่าตัณหาดับตัณหามันดับเพราะวีธานดับคือเรารู้ทันมันไม่สร้างเรื่องสร้างราวให้เราที่ว่าดับนะวีธานดับก็เพราะปัสสัดับปัสสัดับก็คือสลายตานันดับ ตาหูจมูกลิ้นกาใจญมันไม่ขอเรื่องตามไปตามไปก็คือไม่มีอวิชชาอาวิชชาดับลูกน้ําดับอิญญาณดับสังขารดับอวิชชาดับทางในแง่ของการปฏิบัติก็คือรู้ทันจิตของเราสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเอาอยู่อย่างนี้ทีนี้ย่อเข้ามาแล้วนะทีนี้ เพราะนั้นบางองค์เนี่ยไปขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่ากําลังบินทบาทอยู่ถ้าเกิดข้าพระเจ้าเป็นอะไรไปก็จะไม่ได้ฟังธรรมพระเจ้าข้าก็ามีเหตุผลเดีย๋ยวเรากําลังจะออกบินทบาทเดี๋ยวกลับมาก่อนเราจะแสดงธรรมให้ฟังข้าพระองค์ผู้จเจริญถ้าเกิดข้าพระเจ้าเป็นอะไรไประหว่างที่พระองค์บินทบาทนั้นเดี๋ยวจะก็จะเสียโอกาสพระเจ้าข้าน่ะพระเจ้าก็เห็นเหตเห็นผลว่าเขาก็ขอร อ, องแล้วอ่อนวอนแล้ว ก็เอานะหลังนั้นเราจะสอนย่อๆมีอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าดูถ้าเห็นก็ตาเห็นรูปสักว่าดูสักแต่รู้สักตัวเห็นสักว่าได้ยินได้กลิ่นร้มรสสัมผัสหรือโพธิภรมาลนุ่มมีฟังปั๊บเข้าใจเลยเพราะคนนี้สร้างบารมีมาให้คนที่ไปพบพระ้าตัวเนี้ยเขาเคยไล่ไปอดีตชาติเขาเคยบวชเป็นพระ แล้วก็ตั้งใจคุมความเพียรขึ้นไปบนเขาหน้าผาสูงสูงสร้างบันไดขึ้นไปกับเพื่อนห้าองค์แล้วก็สัญญากันว่าถ้าหากว่าไม่บรรลุธรรมแล้วก็ถึงบรรลุธรรมแล้วห อ, อกไปบินทบาดมาไม่ได้ก็จะไม่ฉันแล้วพักบันไดทิ้งองค์หก็บรรลุพระลานก็ไปบิณทบาดมาเอามาแบ่งให้องค์ๆๆสี่องค์ไม่เอาไม่มีใครเอา สัจจ์ต่อมาอีกองค์ที่สองบรรลุพระนาคามีก็หออไปวินทบาทมาได้ให้อีกสามองค์ไม่เอาสามองค์นั้นครบเจ็ดวันแล้วขาดาธาตุอาหารพากันมดแลาวะพองค์นี้เป็นเกิดเป็นพรหมแล้วก็กลับมาเกิดในสมัยพระเจ้าของเราแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้นี่แหละได้มาหาพระเจ้าคือเป็นไปหลง ไปหลงว่าตัวเองมันรู้พลหานเรือแตกหรือไงเนี่ยเดินทางเรือเรือแตกขึ้นจากเรือแล้วก็เอาไปไม้มามานุคนเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยต้องเป็นพระหลานเนี่ยมากน้อยเหลือเกินเนี่ยถึงขนาดเอาไปไม้มานุคนสมัยนั้นก็กำลังสแสวงหาน ะ, สะแสวงหาทางหลุดพ้นเหมือนกัน พอเขากราบเขาไหว้เนีอยก็เริ่มเริ่มลืม เ, มเมนื้อลืมตัวขึ้นมานทีแรกก็โอ้ยก็รู้ล่ะตัวเองก็รู้อยู่ว่าเนี่ยเรานี่พ่อเรือมันแตกเสื้อผ้ามันหลุดลุยไปไม่มีอะไรนุ่งห่มก็เลยเอาใบไม้มานุ่ง ม, มาห่มพอเขาเอาลาบเอาอะไรมาให้ก็ไม่กล้าบอกเขาเพราะเดี๋ยวมันจะปิด ก, กั้นล่าน่ะมันเป็นเครื่องทําให้ตัวเองอยู่ได้นานเข้านานเข้าก็รู้สึก เป็นอาจารย์ขึ้นมาลุ่มหลงขึ้นมาพอมีคนยกย่องแล้วนี่นทีนี้ไอ้พวกที่เคยเคยบำเพ็ญมาด้วยกันเป็นเทวดาหรือเป็นพม์เนี่ยมาเตือนบอกว่าท่านนี่มันไม่ใช่พระะหันนะนู่นองสมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้านะ่ะอุบัติขึ้นแล้วไปหาพระองค์ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรม พอได้ยินว่าพราะเจ้าวัดขึ้นแล้วว่าใจมันฝักใฝ่มาแต่เดิมอยู่แล้วมันก็ไปยติยินดีขึ้นมาดันดลไปหาพระเจ้ารีบขอฟังธรรมพระเจ้าก็ให้ฟังธรรมฟังแค่เนี้ยมันรู้ได้นะอะไรเกิดขึ้นสักแตะว่าดูสักวันรู้สักแตะว่าเห็นอะไรเนี่ยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นนิ้มลดสัมผัสถูกต้องธรรมอารมณ์อะไรเนี้ยโพธิภพธรรมอารมณ์เนี่ พอใจมันจดจ่อยอยู่แล้วเนี่ยมันยั่งเข้าไปข้างในนู้นมันไปประหารกิเลส ข, ข้างในนู้นก็คือตามนี่แหละกระแสจิตขเขาเรงทันมันรู้เป็นทหารปับ๊บพระเจ้าก็รู้ละตรวจ ด, ดูอ้าวนี่ไม่เคยทําบุญสร้างบารมีมาบริขารไม่มีต้องไปหาถ้าบางงงนี้ยพระเจ้าบวชให้เลยนะเอพี่ขุนเธอจงเป็นภิกษุมาเธอ ทำเราตัดไว้ดีแล้วนะถ้าว่าเป็นพ่อหลานเราก็ไม่พูดยาวถ้าเป็นถ้ายาวไปไม่รู้พ่อหลานในหมู่ธรรมวินัยเราตัดไว้ดีแล้วเธอจงเพียรปฏิบัติเพื่อทําให้สิ้นทุกข์โดยชอบเธอการบวชของพระพุทธเจ้าแล้วก็บริการก็พร้อมเลยเกิดขึ้นเลยนอนุภาพของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรน่าสงสัยอันนี้ไม่มีต้องไปหาบริการพระพุทธเจ้าไปออกบิณธบัต เดินไปก็ถูกบัวชนนะก็นิพพานในวันนั้นพาก็สงสัยวันเนี่ยคงคนเนี้ยนิพพานไปตายวันเนี้ไปไหนพระเจ้าบอกวันเนี่ยบรรู้พลานแล้วนะสรุปแล้วต้องมารู้เท่าทันจิตของตนบางคนก็รู้กายกายนี่มันก็ต้องจิตอยู่ก็อยู่กับกายนั่นแหละพอรู้กายไปตัวที่เป็นดูไปรู้มันก็คือจิต มันก็ต้องมาดูจิตอีกมันก็เห็นจิตเนี่ยแต่ว่าน้ําหนักมันอยู่ที่ร่างกายพลน้ำบางคนก็เอาพินาศกายอย่างงั้นอย่างนี้สุดท้ายต้องขมามหาจิตดีผมก็หนักทั้งเวทนาเวทนาอย่างงั้นตรงนั้นตรงนี้อย่างงั้นอย่างนี้คือมันชัดในจิตแล้วมุกสุดท้ายก็มาดูจิตอีกอะดูกายมั น, น ก, ก็มีเวทนามีจิตมีธรรมดูเวทนามีกายมีจิตมีธรรม ดูจิตก็มีกายมีเวทนานมีธรรมจึงว่าสติปัฏฐานสีอยนเดียวกันอันนี้เลยที่ผู้เจ้าทบทวนว่าผู้เจ้าตัดสั้อะไรผู้ย่อก็รู้แล้วว่าผู้เจ้าตัดสั้นตรงนี้รู้ว่าทุกอย่างมาจากเหตุจากปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททำทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยมันจึงไม่มีตัวตน ตัวตนมันเกิดขึ้นที่หลังเป็นตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หลังพอขาดสติสัมปชัญญะขาดปัญญามีเรามีเร า, ม, เรามีเราเข้าไ้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ในชีวิตประจำวันมันก็ปฏิบัติได้อยู่ในยีบทไหนก็ทำได้เป็นอะไรก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติอยู่ที่จิตนี้เป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติ ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกเป็นแม่ชีก็ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ถูกมายู่วัตทาไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่พระเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งในปฏิสมุบาตเราจะไม่ปฏิยานตนวัตสรุปปฏิจจสมุบาทก็คืออริยสัจสี เวลาสรุปลงไปก็เห็นอริยสัจสีบางทีการปฏิบัติท่านหนึ่งเนี่ยว่าศีลสมาธิปัญญาพอศีลก็คือสติสัมปชัญญะรักษาจิตให้เป็นปกตินี่เป็นศีล น, นะศีลในภาพปฏิบัติเนี่ไม่ใช่ว่าเป็นข้อข้อนะหมายถึงขั้นตอนที่จิตของเราเป็นปกติสามารถละเจตนาที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมันไปในทางไม่ดีรู้ทันมันอย่างนเป็นปกติได้ ถ้าพูดถึงสมาธินี่ผู้เจ้าหมายถึงสมาสมาธิหมายถึงตอนที่จิตเราตั้งมั่นมั่นคงจิตไม่สัดสายไปทางไหนอะไรเกิดขึ้นรู้เป็นสมาสมาธิแต่กว่ามันจะถึงสมาสมาธิมันก็ผ่านนิวรณ์นะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องผ่านแบบฝึกหัดพูดง่ายๆมันต้องมีเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตต้งเราให้เข้มแข็งให้มีกําลังไม่ใช่จะเป็นสิ่งไม่ดีนะมันก็เป็นธรรมอนหนึ่งแต่เรียกชื่อมันเย้เฉยมันเป็น นิวรธรรมเพราะามันเหมือนกับว่ามันมันต้องผ่านด่านนี้พูดง่ายๆต้องตั้งหัตั้งใจนะพูดง่ายๆต้องตั้งสตินะมีเพียร น, นะพยายามนะอดทนนะข า, ขามาขเมินนะทำให้ต่อเนื่องนะไม่งั้นสตีไม่มีกำลังนะสัมปชัญญะไม่มีกำลังนะผ่านนิวรไม่ได้นะอะ่มันก็เหมือนกันเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ว่ามันมีโนนมีเขากั้นอยู่อะ เราข้ามมันไปไม่ได้มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางดังนว่าต้องพยายามเต็มที่อเพื่อให้จิตนั่นแหละมันมีกําลังนถึงจะผ่านไปได้แล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ขงเรามีมาจากเหตุจากปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงจิตก็คายออกเนี่ยเป็นปัญญาสีสมาที่ปัญญาก็คืออันเดียวกันนี่แหละคือสติปัฏฐานสี เอาแล้วแต่จะพูดนะทีนี้ทีนี้สายไหนอะเคลื่อนไหวไปมายกนุ่นยกนี่ยกมายกมือก็เพื่อมีสติมีสัมปชัญญะก็เพื่อเข้าไปหาจิตนั่นแหละพอน้่ยุกน้องก็มีสติสัมปชัญญะเพื่อจิตสงบเพื่อจิตตั้งมัน่นเพื่อมีปัญญาพุทโธก็ให้จิตอยู่ซะก่อนอยู่แล้วก็มีสติสัมปชัญญะใจสงบใจตั้งมัน่นมีปัญญา โอ้ยาจะไปเทียงกันลมไม้ที่นี้ก็ถ้าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยบางคนดูผมก็ดูร่างกายก็อยากให้จิตอยู่จิตอยู่แล้วให้จิตเข้าใจว่าไม่ใช่ของเราแต่เขาถนัดจะลิตเป็นอย่างนั้นบางคนดูดูลมเอาลมมันมไปตามลมไปต่ว่ามันก็สนใจลมก็มันสนใจตัวรู้นี่ของอาจิต เพืจิตตั้งมันเอ็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโอ้โมันไม่ได้ต่างกันเลยนะที่นี่มันจะต่างกันตรงที่มันหลงผิดเมาสรุปไอ้ตอนตอนที่มันสงบแรกๆเนี่ยที่ว่าเออมันมันพิจารณาคิดแล้วจิตมันยอมรับเออมันสงบลงไปก็ไปสรุปว่านี่เป็นปัญญาตรงนั้นก็เป็นมรรคผลโอ้ตรงนี้เสียหายมาก ก็ไม่ก้าวหน้าสีดีนี่เป็นรู้วันนี้คือมรคือผลเนี่ยแทนที่จะไปตามดูปัจจุบันปัจจุบันไม่เอาแล้วเพอเพ้อก็อยากสอนอยากเป็นครูบาอาจารย์ให้คนยอมรับขึ้นมาเราเน้นนูน่นเลยดับทุกนูน่นเอาพ้นทุกนูน่นเอาจะหยุดพูดนะเห้ดูตัวเองสักระยะหนึ่ง ขอน้มแบบพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอราระโตซึ่งเป็นผู้ใกล้ชากิเลสสำ ม, มาสัมปชัญญะกระชรือโชคใกล้โดยพระองค์เอง